อาตั้งใจฟังเทศิตักเล็กน้อยจะทำปัจจันต์เนะโมตัสสะบรตวะโตอระหัสโตจังมาจังปุตะนะโมตั w สะบรัตวะโตอระหั t โตจังมาจุงปุตตะนะโม สัจจภาควะโตอระหะโตัมมะจัมโทสัจจะสรรพสังขาระอนิจจติสรรพสังขาระทุกขติสรรพสังขาระอนัตตติสรรพธรรมะอนัตตติ ยากท่านยายาพัฒนาพัเน์ทุอาสนะบิดาที่ดุจเดชจะมาขโจุดที่อยากิด้าบั น, นี้จะได้เฉลี่ยในมักคักคือหนทางของพวกเราทุกๆุคนอันจะได้ไปดึงหน้า ผู้ที <annel> <hum> ่จะไปเป็นสัตว์หนทางหนึ่งผู้จะไปเป็นผีหนทางหนึ่งผู้ที่จะไปเป็นเปรตหนทางหนึ่งผู้ที่จะไปเป็นไปตกนรกหนทางหนึ่งผู้ที่จะไปเป็นมนุษย์หนทางหนึ่งผู้ที่จะไปเป็นเทวดา ลูกข um ้าเทดาบุมาเทวดาหนทางหนึ่งเู้ที่จะไปพระสวรรค์ตั้งแต่ขัตตุมาลาสิกาเป็นหนทางหนึ่งเู้าที่จะไปเมืองอมเป็นหนทางหนึ่งบัดเดียวนี้ตัวของพวกเราทุกทุกคน มันจะอยู่ในระดับอันไรจะอยู่ระดับหนทางอันไหรให้คิดอ่านตนของตนทุกทุกคนตลอดไปบุคคลที่ไม่มีศีลธรรบุคคลที่ไม่ในวัยสักสวดมนต์บุคคลที่ไม่เรียนวิตามารดา บุคคลที่ไม่มีเมตตาสัตย์ทั้งหลายบุคคลที่ไม่สนใจในการไหว้พระเจ้าย็นประกันใดอันนี้เป็นเรียกว่าผู้ที่จะเกิด เ, ดเป็นสัตว์เตือสามบุคคลไม่ใช่ความโสดความแทน ใจผู้แม่ดูวุฒิอยู่ตลอดกันไปปักการในใดใช้เป็นใช้อย่างนี้ตลอดกันไป <c oughs> บุคคลเป็นนี้เขาไปเกิดเป็นผิวบุคคลที่ตัวของเขาชิน้าก็ไม่มีเมตตาก็ไม่ได้ ลไม่มีอะไรความดีที่จะเกิดขึ้นในตัวของเขาอันนี้เป็นแ่กว่าไปถึงเปรตหรือคนที่ตอบกินของม็นเมาลักจุกจุกต่อยตลอดไปทุกหลายการเป็เนแม่ป่ากหนาเ้ า, าผู้คนประการใด อันนี้เลยกว่าไปสู่นรกบุคคนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์บุคคล น, นั้นเลวกว่าเขาเลี้ยงบิตามารดาไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาเกิดตักตงร้ายตัวของเขา น, นเองตั้งใจทำความดีของตน วาทนาคอยข้าได้บำเพ็ญความดีให้เจริญกาวหน้าอยู่จนตลอดไปบุคคล่านี้ตั้งใจอยู่อย่างนี้เขาได้เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปไปต่างหน้าบุคคลอันจะไปสู่สวรรค์หรือบุคคลที่ไปสู่มุขคะ สิวดาปุ ม, มาเทวดาอากาศธาเทวดาเรานี้ตัวของเขาเห็นว่าการเกิดในโลกมีความทุกข์ยากลําบากการอยู่กันกินกันลับการ น, นอนกันไปกันมาประการใดๆตัวของเขาเห็นว่าความทุกข์ลำบากในบริหารร่างกายอันนี้เป็นนิสั จุดของเขาฝับไปตั้งใจในการที่จะเริญความดีคือบุญกุศล ต, น, ตนของตอนนั่นเองตั้งใจพับไปการแบ่งปันสองตอนของตอนกินดีพอใจเลียงดูพิชามารด่างไหวพระตรวจคนในจิตห้า เมตตาสัตว์ทั้งหลายในโลกคิดทนอย่างนี้อยู่ตลอดสิ น, นี้คิดทำอย่างนี้ตลอดไปบุคคลเป็นไหนเขาจากมนุษย์ไปเป็นลุกขะเทวดาก็มีภุมมาเทวดาก็มีอากาัสธาเทวดาก็มีชัจจตูมาราจิกายา ม, มาตาวสิงสาตุกิตา นิมมาดลาดีปลิมิตะสวดีสุดแล้วจะบุคคลผู้สูใจเที่ยนทรมประการใดๆอันนี้แปลว่าบุคคลไปสู่เป็นเทพขันเจ้าได้ความสุขความสบายใจของตอนผู้ที่ตั้งใจจะเจริอนภาวนาะสัพเทสัาราอนิจจา ร่างกายอันนม้เน่จิงแอ่แน่นอนประกันในใจเราพุ่งพาอาศัยมันอยู่ตั่วคราวตัวเองทัพีสังคราทุกขาเป็นทุกข์ลำบากกลักลัำอยู่ตลอดสิงนงบริหารร่างกายอันนี้จิตอันที่เราทำไปนี้ไม่ได้ผลประโยชน์อะไร ทัพที่สังขาอนาตาร่างกายอันบอกไม่ใจว่าไม่ฟังมันจะเข้ากระเข้ขึ้นไปทุกวันมันจะแก่ก็แก่ทุ่มไปทุกวันมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะเป็นอัน น, นู้นอันนี้มันก็ต้องเป็นไปตามยัตกรรมของมันอันนี้เพนเนกว่า ใช้ปัญญาทุกเจรณาอยู่อย่างนี้ตั้งใจเจริญพรวนาของตนจนทาจิตของตนเป็นองค์พวังคักส ม, มาธิคำพวะพวัพวงคัตแปลว่าจิตปรจาจจกไม่เกี่ยวข้องกับสารีรักหลร่างกายเหรู้ว่าร่างกายนี้เป็นอะไรกันไป เขียนในโลกทั้งหลายก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในใจตั้งใจสวยความสุขของตนตีจิตจุกเกกตาเจริญอย่างนี้อยู่ตลอดกันไปบุคคลเช่นนี้เขาต้องไปสู่เมืองคนมจนกว่าสุดอายุเมื่อไรจะได้จิต ติดลงมาสร้างบำเพ็ญติดต่อไปไปข้างหน้าอันนี้เรียกว่าหนทางที่ไปของมนมุษย์คนเราวัดเดียวนี้อยากที่น้องทุกคนใครจะไปทงไห น, นให้ทุก ด, ดูระดับของเจบของดูในเวลาบัดเดนี้จะไปเป็นสัตว์เราทิ้งเข้าแล้วก็นอนเหมือนควาย ไม่จกของไหว้สักตรวจเงินประกันในดญ่ๆอันนี้พันละ ว, ว่าไปเป็นสัตว์เอกสารหรือชอบหาเขีนของมึนเอาอยู่ตลอดกันไปอันนี้พันละ ว, ว่าไปสู่เมืองเป็ดเป็นเป็ดในตัวจริงๆคือที่ใช่เป็เรื่องความเกิดอะไรเกิดน้อยเกิดมากเกิด นี่จะเรื่ความเครื่อใจอะไรทุกอย่างใช่ว่าอะไรให้ก็มีแต่ความเครื่อใจตายแล้วก็ไปถึงผิวผิวนั่นคือมีผ้านุ่งผ้าห่มเส้ชุกเปลกร่างกายเหมือนกับหม้อวางกายเหมือนกับถ่านไฟร่างกายนั่นคุ่นเหม็นตลอดติ้นนี้ ผ้านุ่งผมแปลวาขาดชูดชายไม่มีใครต้องการทบปรกินดีพอใจระการใดเรื่องอาหารกันกินอย่าไปถามผ่านเรื่องเรื่องชานผู้อยู่จะไปถามเพื่อลอนตลอดเป็นนิสอันนี้พเรยก ว, ว่าหูทั้งหลายเป็นอย่างนี้ <c oughs> เปลว น, นั่นวันมีผ้าหนุ่มวันมีผ้าผมจะถามเรื่องอาหารกินไม่จ้องถามผ้าหนุ่ผมหรือเรือนชานิคือยู่ไม่จ้องถามนี้จะความตรากตรำสุขลําบากยิ่งกว่านั้นหนอนเจาะกินก็มีสัตว์กัดกินก็มีตลอดเชิงศัพทวันตรงนี้ บางคนก็ตกในการไฟไหม้ตลอดไปสินิสอันนี้ทนเยกว่าเปรตเพราะฉะนั้นให้เราคิดนึดตัวของเราทุกคนในเวลาแบบนี้เราจะอยู่ในระดับใดให้ลิกถึงตัวเจ้าของอันความอยากให้เจวาอยากทุกคน ต้องการว่าจะไปพ่านพระอันความอยากแต่ความสติปุของตนความที่ยาเคลื่อนไหวของตนมันเรียกว่ากุศลธรรมาอคุชลาธรรมะอัรรมมอพยากตธร ร, รมะเรานอนหลับแล้วบุญไม่เกิดบาปไม่เกิดเป็นอัพยากตธรรมเกิดเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้ว เคลื่อนไหวในหลางกายมันจะเคลื่อนไหวไปในระดับอะไรเคลื่อนไหวไปในระดับเป็นเฟรหรือเคลื่อนไหวระดับไปในเป็นผีหรือเคลื่อนไหวระดับไปในเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเคลื่อนไหวระดับไปในการเป็นมนุษย์หรือเคลื่อนไหวไปในการระดับเป็นเทวดานีให้เราทุกคนจนคิดนึ ตนของตนทุกทุกคนในชีวิตวับื่อนี้ตัวของเราที่เกิดมาในรูปร่างสาริละร่างกายอันนี้ด้วยบุคคลกรรมของตนต่เบื้อหลังได้สะสมทบปะบันดิตกันมาแล้วเราถึงเกิดเป็นมนุษย์เพื่อชมพในสานิละร่างกายของตน ให้คิดด้นะว่อคนที่แข็าทาทงขุดขาขาดหูเหงตาบอดบ้าใบเสจจิตผิถทุกุ์กูังเสียองค์คัลักษณะประกกนใดนใดนๆที่นาเกลียดของบุคคลทั่วไปอันนั้นด้วยเหตุระการใดคนไม่ปับไฟในวันดิตคนไม่ชับไฟในการผู้ตนของตนจะทำความดี มันเรื่งการกินการเล่น ก, ก, กันไปกันมากัารกกันเลิกเฮาหาพระกรันใดตายแล้วก็ไปตกนรกคนจากนรกขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นคนนี้กานตลอดกันไปตลอดทึ่งเป็นคนฟุกคนอยากคนลําบากกลากลําพระกรันใดอะไรจะอยู่กินหาได้ยากอันนี้ลเลวกว่า บุคคลที่ไม่ทับไยในบัญญิติบุคคลที่ไม่ตใใมั้งใจในธรรมะของพุทธะเขาต้องเป็นคนที่ดิดหรับผลเห็นความทุกข์ของตนต่อไปนในหัวใทุกคนจงคิดอ่านสัเพีสัสงฆ า, าธรรมะมอนัตตาธรรมะของพุทธะไม่ใช่ตัวตนของเรา ธรรมะของพุทธะแปลว่าเป็นเครื่องมือเหมือนกับเราจะทำการงานตอนน้องมีเครื่องมือเป็นเครื่องประจำตัวของเราเราจะเที่ยวถามป่าดงลุดพุทธกนดินประการใดหรือเราจะทำศิละปะใดทุกอย่างตอนน้องมีเครื่องมือจึงฉําเด็จเป็นรูปเป็นร่างจนอันที่เราต้องการราสนา เนื้อธรรมะของสุทะแปลว่าสี่บอกผลทางความดีที่บอกผลทางความั่วบอกให้แต่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่นิสัยปัดใจแล้วเขาได้เงียน้อมตั้งใจประกกรกาบไหวสักระบูชาและลุกเป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณมณะปัจจัยโย ทำเป็นอารมณ์อยู่เอในใจของตนตลอดกันไปอาชีพปุจเจเยเขาทอยู่ตงนี้ในที่เกิดมาพบสอนของสุทธะได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตนตลอดกันไปมีให้เราทุกคนจงอ่านตนของตนทุกคนในเวลาันี้ อย่าได้เพิ่มาดพานกันวนใจเรื่องการคุ้เรื่องการหาเรื่องการต่อการความอยากได้อันนี้เรียกว่านึสายปัจจัยจของพวกเราสุดผลกันมาแต่อเนกชาต์จนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยความรักความใคร่ความยินดีความพอใจความร้องไห้อย่าโอล้อ เหล่านี้เพรเราฝึกฝนกันมาตั้งแต่อนีตชาติเป็นนิสัยเป็นประจัยติดตามตัวของเราในใจของเรานั่นเองมันไม่ติดในร่างกายเมื่อมันเกิดในร่างกายอันนี้มันก็ใช่ร่างกายอันนี้เป็นสิริยา ไม่รู้จักโา ว, ว่าตนของตอนนั้นเองเป็นที่ยาอย่างนี้ตลอดไปสาลิลักษ์ร่างกายอันนี้มันเป็นของหลับใช้ของจิตจิตเป็นเจ้าของจิตจงเจ้บ้านร่างกายอันนี้เป็นบ้านของจิตจิตก็ใช้มันไปมาเหมือนกับเราใช้รถยน เราใช้เครื่องยนต์ในใดทุกอย่างเราบังคับบัญชาไปมีแตให้เราคุกนึกว่าร่างกายอันนี้ใจของเราคือรู้สึกก๊ามีอยู่ภายในร่างกายอันนี้ผู้นี้ลัะมันมีการเกิดไปมีการตายเราจะได้เกิดเป็นสัตว์ก็อันนี้เองไปอยู่กับรูปของสัตว์เราก็เกิดเป็นเปรต อันน <necessary. S 2> ี the the the the ้เองไปอยู่ในรูปของเป็กเราเป็นผีก็อันนี้เองไปอยู่ในรูปของผีเราไปเป็นเทวดาก็รูปเป็นเทวดาอันนี้แลไปอยู่กับรูปของเทวดาเราเป็นคนหก็รูเป็นพนอันนี้เองคููสุดอันนี้เองไปอยู่ในรูปของพรเพราะฉะนั้นใจนี้ไม่งารตาย ใจนี้มันมีการเท่าใจอันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรเพระการใดที่มันเปลี่ยนไปมาคือรู้ภาวะในการทุกทโธการเกิดพุทโธเป็นมนุษย์พุทโธเป็นสัตว์ทุทโธเป็นผีพุทโธเป็นเปรตพุทโธที่จะนรกพุทโธที่เป็นเทวดาพุทโธที่ไปสู่สวรรค์พุทโธที่ไปมรรค อันนี้เราเรียกว่าชิงเหล่านี้คือความดีหมุนไปให้เกิดชิงความชั่วหมุนไปให้เกิดบัณฑนบัณดาลเขาเรีวอุปติกกะเกิดด้วยชิงที่บัณดาลขึ้นทันทีในรูปอนนั้นต์มีให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกคนในเวลาบัดเดีนี้ให้นึกว่าธรรมะของพุทธะ มันเป็นเครื่องเงินที่เราจะใช้ถักถามถามอะไรคือถานสุดเลยสุดเลยคืออะไรคือความหวงความอะไรมความโสดความแคบความพยาบามความปุถุณและความอยากได้อยากดีความโผลล้อเลยหลอกให้อันนี้คำมั่นของพุทธ ะ, ะชําระซิ่งเหล่านี้ ขันปอได้หมดแล้วอันนั้นเป็นอริยะมุกคลคำว่าอริยะแปลว่าผู้ปลอดภัยคำว่าอริยะแปลว่าผู้คนแล้วจากความเศร้าแดงใจคำว่าอริยะแปลว่าผู้สมบูรณ์แล้วโดยความสุขอยู่สบายยังมทุกข์อะไรที่เกิดขึ้นคำว่าอริยะแปลว่าคนแล้วจากการเกิดากับการตายมันจะเป็นองค์พจรมที่บริสุทธ อย่าเสวิสว่างสวยอยู่ตลอดสนี้จุดก็อยู่กับรูปขององค์พระธรรมองระรรอันนี้เป็นอันจะไม่เป็นอันจจุงจังจุดยังแว่เพีเ้ออันจังแปลว่าไม่เพี่ยออันเี้เยอตลอดสิ่งนี้เมื่การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปยางอื่นอื่นต่อไปให้ให้ทุกคนจงตั้งใจของตอน วันเดียวนี้เราทุกคนทู่เป็นยุติชนมันมืดในใจของเราไม่รู้จักหนทางที่จะไปวิ่งโลนทุกคนผู้ที่งอนเหงเขาก็ว่เอาเหล้ามากินแก่หงากเหงาให้หายทุกผู้ที่หวงอะไรอะไรทุกอย่างเขาก็ต้องเอาเครื่องอะไรมาแก้ไข ทำให้ใจเขาหลงไปนุบเป็นนุบเป็นข่าวเป็นเวลาเป็นสมัยนจนตลอดนักเพลงตัวเขาแต่งขึ้นเขาวาดกระตักหาที่พิู่ให้มันหลงไปเป็นวันถ้ามันหลมไปเป็นเวลาถ้ามันลหลมไปความทุกข์ในให้มันเห็นรูปอันนั้นเล่นยกเย็ดยกันไปจําเรื่องตลอดไปเป็นนิส อันชิงที่จะหเราะก็พอหวเราะขึ้นอันชิงที่ควรร้องไห้ก็พอร้องไห้กันขึ้นอันนี้ด้วยเหตุใดจะแปลว่าทําให้ความหลงหลงความทุกขของตนนั่นเองมี่ให้เราทุกคนจงคิดเนื้อตัวเราเป็นวุตติชนไม่รู้จะพลนทางทุกขใต้ทุกขเหนือทุกข์วันตกทุกข์ตะวันออกเมืองล่างเลือเบื้องบน ปัจจัยใดๆก็กังวลอยู่ในโลกเวลาบัดเดือนนี้ตลอดกจนไปส่วนามันสว่างเมื่อไรเมื่อนั้นตัวของเราทุกๆคนนั่นเองที่รู้จักหนทางหนีไปจากโลกอันนี้นี่จะให้เราทุกคนจงทุกข์นึกว่าไว้ในเวลาบัดเดือนนี้ตัวของเราอยู่ในระดับอันใด แล้วดับที่มาหรือระดับทเริ่มหรือระดักที่โลกหรือระดับที่เติดหรือระ่องดักที่หลงอะไรของเราแล้วเนี่ยตัวของเราทุกทุกคนตลอดไปเราจะได้หาวิธีละเร่อธรรมะของสุธะที่บอกหนทางแล้วทุกประการนั่นเองอันนี้ล่ะแต่เป็นเครื่องมือของพวกเรา สำหรับภาะถามอันชิงที่เราติดอยู่ในโลกจะได้พ้นโลกข้นไปพึนน้นหนีไปจากโลกอันนี้ได้พระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ผ่านพทุทธกะปพุเติเจ้ากันมาจนนับเหลืองโจของท่า น, น่อ น, นั้นทำความดีสะสมซ่ำๆจากจากตอมาเป็นนิจการ จงได้รู้จักเห็นหนทางแห่งความสุขกังหลายในโลกจงได้ขึ้นเสวะอุกายะนูมะโคมชุติยาผู้บริสุทธิ์จ้นนุ่งทางอันมีแล็บในหนทางของผู้เป็นอริยะเจ้าไม่มีการที่จะกลับเหลียวหลังประกันเลยใด นี่ให้เราญาติพี่น้องทุกคนจงพิดนึกตนของตนทุกคนในชีวิตวัดเดียวนี้เราทุกคนอังส่นจะมีการเกิดในโลกต่อไปหลายทศชาติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นผีเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สิ่งมสารเป็นมนุษย์ไปสู่นรกเป็นมนุษย์ไปสู่สวรรค์ เป็นมนุษย์ไปสู่ภูมิโลกอันนี้ให้เราทุกคนส่งจิดนึกมันหมุนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะของพุทธะจึงในวางว้ว่าตัมโมนาวัตติโลโก้กำเป็นเครื่องหมุนของสัตว์ทั้งหลายในโลกกำความดีหมุนไปสู่สวนเป็นเจียวบุตรเป็นเจียวนาเป็นเจ้า กรรมความชั่วเหมือนเป็นเราเป็นสัตว์สป็นีเป็นเปกไปสู่นรกอันนี้ละเอียดกว่ากรรมทั้งสองปุสรากรรมคือกรรมความดีปุสชากรรมคือกรรมความชั่วตัวของเราเมื่อไม่ได้พกปะบัณฑิตในชีวิที่การเกิดมาในโยกนี้จะเลื่อนหาอยู่กินบำรุงสาริละหลังกายบนบาปข่าในเอาใจ ขอให้เด็กลิ้นก็เป็นการขออันนี้เพิ่อเรียกว่าเพิ่มความชั่วให้เกิดจิตของตนตลอดเป็นนิดฉีตเสียที่เกิดทุกปัจัณบิตเช่นพุทเกียวพระอรหันต์ทั้งหลายปฏิกับพุุธะพรุฤษีอยูทีประการใดๆได้ตั้งใจทำความมีรักษาศีลไหวพระสวดมนทํทำความตลบคู่ประเสริฐ ผู้เกิดมาเป็นอริยเจ้าตัวของเรากรียถว่าได้เพิ่มความดีคือบุญกุศลให้จิตจิของตนเป็นท้กเราเกิดมาบัตรอื่นนี้จิตใจของทุกเราเกิดความยินดีต้องการอยากจะได้บุญกุศลต้องการอยากจะไปสู่ความสุขความเจริญ ต้องการอยากได้พุกพระองค์ทุกเสกเจ้าพระอาาหารหันต์ต่อไปไปทางหน้าอันนี้เพลวันนิสัยของเราได้สะสมสมบัติความดีกันมาความเชื่อของพวกเรายังไม่รู้หนทางที่เราจะไปสู่มรรคผลนิพพานส้วนทุกอันนั้นคือความเชื่อทั้งหลายตกตุดใจของพวกเราเมื่ออยู่ตลอดสิบนิ้ มีให้เราคึกคนจงคึกว่าในเวลาบัดเสื่อนี้เราเป็นมนุษย์แล้วเราจะได้เพิ่มความดีไปสู่ม่อหน้าเราจะได้เพิ่มความชั่วไปสู่ม่อหน้าบุคคลมีสัญญาเขาก็เพิ่มความดีตลอดกันไปบุคคลจะไม่คิดอ่านไม่เรื่องการกินเขาจะเพิ่มความชั่วตลอดกันไป มี่ให้ทุกคนจงคิดนึกสารีละหลางกายอันนี้มันเป็นเครื่องมือของจิตจิตใช้ทำความดีเป็นบุญให้จิตจิตรูปคนชิดให้ใช้ความทำความชั่วความชั่วเป็นผลให้จิตจิตจิตของเราทึงเจ้าของบังคับบัญชาสารีละหลางกายอันนี้อยู่ตลอดทุกๆุกคนตลอดไปนั่นเอง ดีละให้เออคนทุกคนจงคิดหนึ่งว่าเราไส่ร่างกายแล้วในเวลาวันดียวนี้เราจะทําความดีหรือจะทําความชู่วเลืกวัเดวนี้คือธรรมะของตุทะยังมีอยู่ให้เราทุกคนจงคิดนี้คิดอ่านพิดเจรณาจนของตนเราจะทําเหตุผลอะไรเหตุผลความดีก็เป็นปัจจัย เหตุผลความเชืก็เป็นปัจจัยซึ่นิรันดชื่วหกษ์ตุกปัทยอยู่เราทำเหตุอะไรจะเรียกเป็นปัจจัยอันนั้นในใจของตอนตลอดไปอริยะเจ้าทั้งหลายที่ปานปกปะขอบพุทธเจ้ากันมาท่านเหล่านั้นซักไฟตั้งใจตลอดตรง น, นี้ในชีวิตที่การเกิดมาตลอดกันไปจนให้คนทุกคนไป ไม่ได้มาเกิดในโลกอื่ต่อไปภายขั้นหน้าตัวของเรายังจะได้เกิดต่อไปในโลกเราจะได้เกิดส่วนชัดเป็นเกิดเป็นผีสต์นรกเราจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาไปสู่สวรรค์อันนี้แปลว่าตัวของเราความดีเฉิดฉูยก็จะชูความสุข เมื่อความสู้ความชกบังคับบัญชาก็ไปสีวความทุกข์ตลอดกันไปเทิดแห่งการเกิดในโลกเทิดแห่งการที่เราเกิดมาไม่ขอบไปไม่สนใจในธรรมะของวันจิต ป, ประการในใจเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนในชีวิตบัดเดนี้บุมเราไม่เห็นบาปเราไม่เห็นใจเราไม่เห็น เกว่ามีความรู้สึกอันหนึ่งในสาริละร่างกายอันนี้ตอนนั้นเพราะฉะนั้นบุงเึงของนิริตบาปเป็นของนิริตใจเึงของนิริตใจนี้มันบังคับร่างกายให้วิ่งตัวิ่งทันทีบังคับร่างกายขึ้นต้นไม้มันก็ขึ้นหลงน้ำลุกมันก็ลงให้มันทำอะไรมันเอาอยู่จยานั้นแบบของหนักของใบของหนุนของหอม ของสกตรกของจะอาดประการใดๆมันจะทำอย่างนั้นหลังตายเพราะฉะนั้นใจของเรามีท่ามีภาพบังคับไปได้อย่างหนักหนาหนาเพราะฉะนั้นบุญตําบลทั้งสองก็บรรลบรรดาให้เราไปสู่ความสุขและความทุกข์ประการใดๆสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยเราพบว่าบรรญัตเราพบวปะคนป่าน เพิ่มความช่วยเพิ่มความดีให้กิตจิตของตนทื่อาตมาได้แสดงในสัปตุ